แต่ที่สําคัญก็คือบอกว่าไอ้ข้ามสะข้ามตัณหาเนี่ยนะต้องมีสะพานคืออริยมรรคเนี่ยเพราถ้าเราจะเห็นพิษเห็นภัยเห็นทุกข์เห็นโทษของวัตตะเห็นทุกทุโทษของกะระแสตัณหาอุปาทานเป็นต้นถ้าผูกสะพานคืออริยมรรคไม่สําเร็จยังไงก็ข้ามจากวัตตะสู่วิวัตะไม่ได้ในข้อแปดสบหกนะเนี่ยนะ ครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับท่านท้านนท์ว่ามาเถิดอนนท์เราจะเข้าไปยังหมู่บ้านโกติคามกันเถิดโกติคามก็อยู่ในแคว้นไหนแคว้นวัชีแคว้นไพรสาลีท่านทานอนน์ก็กราบทูลรับแดบ่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าค่าครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จดำเนินถึงหมู่บ้านโกติคามนั้นแล้ว เล่ากันมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่ในหมู่บ้านโกติคามนั้นในหมู่บ้านโกติคามนั่นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเพราะมิได้ตรัสรู้เพราะมิได้แทงตลอดอริยสัจ ส, สี่คืออะไรไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยก็ตรัสรู้โดยปริญญาตร์ออขอภัยตรัสรู้ด้วยปริญญาตรัสรู้ด้วยปะหานะตรัสรู้ด้วยสัจจิกิริยตรัสรู้ด้วยภาวนา ไม่ได้แทงตลอดทุก์ด้วยการกำหนดรู้ไม่ได้แทงตลอดสมุทัยด้วยการละไม่ได้แทงตลอดนิโรธด้วยการทำให้แจ้งไม่ได้แทงตลอดอริยมรดุด้วยการเจริญเพราะไม่ตรัสรู้กิจในของอริยสัจสีไม่แทงตลอดอริยสัจสีไม่มีอริยมรดขปัญญานั่นแหละเราตถาคตและเธอทั้งหลายจึงโลดเล่นไปเร่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้เนี่ยนะ เวียนตายเวียนเกิดเวียนเกิดเวียนตายอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยนะคิดดูว่าไงว่ากับหนึ่งกระดูกเท่าภูเขาเวปุระบรรพศหรือว่าเวภาระบรรพศเนี่ยนะนี่กลับเดียวถ้าแสนกลับแล้วก็แสนเขาเขาแสนลูกถ้าสงไข่หนึ่งละโห้โหศพของเราคนเดียวนี่จะขนาดไหนนะโหก อ, อ, องพเนนทึกก็เท่าโลกทั้งโลกเนี่ยเป็นอะไรนะโลกทั้งโลกกระดูกเราคนเดียวว่างั้นน่ยไม่ต้องกระดูกคนอื่นมาแบ่งทั้งนั้นละโลกทั้งโลกนี่กระดูกเราคนเดีย ว, ว โลกะทะเลน้ําทะเลทั้งโลกนี่ก็คือน้ําตาของเราคนเดียวก็ยังไม่พ อ, อก็รอดน้ําตาของเราก็มากกว่า น, นั้นอี ก, ก น, นะเม็ดฝนทั้งโลกก็ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้มากไปกว่าหยาดเหงื่อที่ตกลงมาจากกายอะไรแบบั้นวันโลกทั้งโลกนี่จะเรียกว่าเนื้อเลือดเอ็นกระดูกอะไรของเราทั้งหมดก็ได้นะเพราะสาหรับผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้ก็ต้องอะไรก็ต้องบริโภคดินน้ําลมไฟะนะก็กลายเป็นดินน้ําเป็นดินเป็นลมเป็นไฟอยู่อย่างนี้แหละ พพระองค์จึงตรัสว่าเพราะเราและเธอทั้งหลายเนี่ยนะไม่ตรัสรู้อริยสัจมิได้แทงตลอดอริยสัจสี่นี่แหละจึงโลดเล่นเร่ร่อนไปตลอดกาลรรยาวนานอย่างนี้อริยสัจสี่เป็นไนะดูความพิสูจนทั้งหลายเพราะมิได้ตรัสรู้เพราะมิได้แทงตลอดอริยสัจคือทุกข์ด้วยอะไรด้วยปริญญาเนี่ยนะด้วยการกําหนดรู้รอบรู้ เราตถาคตและเธอทั้งหลายจึงโลดแล่นไปเร่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้เห็นไหมันก็เพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ ต, ต่นะไม่มีปริญญากิจในอริยสัจนั่นแหละจึงต้องท่องเ ท, ที่ยวเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะไม่ได้กําหนดรู้อุปาทานนักขัคือรูปเพราะไม่ได้กําหนดรอบรู้อุปาทานนักขัคือเวทนาไม่ได้กําหนดรอบรู้อุปาทานนักขัคือสัญญาสังขารและ วิญญาณเนี่ยนะเพราะเพราะไม่ได้กําหนดรู้โดยความเป็นอนิจจังเพื่อละมานะไม่ได้กําหนดรู้โดยความเป็นทุกขังเพื่อละตัณหาไม่ได้กําหนดรู้อนัตตาเพื่อละมิจฉาทิฐิเป็นต้นเลยเมื่อไม่กําหนดรอบรู้โดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในอุปาทานขันห้าก็ไม่คิดจะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในอุปาทานขันห้าเมื่อไม่เบื่อหน่ายคลายกําหนดในขันห้าก็เร่ร่อนท่องเที่ยวไป ทิ้งขันหนึ่งถือเอาขันหนึออ่งทิ้งอายตนะหนึ่งถือเอาอายตนะหนึ่งโลดแล่นไปเหมือนลิงที่กระโดดท่องเที่ยวไปในป่าใหญ่นะลิงที่กระโดดโลดเต้นไปในป่าใหญ่จากต้นไม้ต้นหนึ่งสู่ต้นหนึ่งจากต้นหนึ่งสู่ต้นหนึ่งทั้ันใดผู้ที่ไม่กําหนดรอบรู้อุปาทานขันทั้งหลายก็ฉันนั้นดูก่อนพิสูจทั้งหลายเพราะมิได้ตรัสรู้เพราะมิได้แทงตลอดอริยสัตว์คือ สมุทัยซึ่งเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์นนะก็คือตัณหายกตัณหาเป็นประธานบริคารคื อ, อวิชาและกรรมนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะไม่ได้แทงตลอดตัณหาด้วย อารยมารเนี่ยนะแทงตลอดสมุทัยเนี่ยนะด้วยอรรยมารมันถ้าจะรู้จักตันหาจริงต้องรู้จักด้วยอํานาจของอรหัตตมารนั่นแหละจึงจะชื่อว่ารู้จักตันหาอย่างแท้จริงถ้าเป็นปกติทั่วไปเนี่ยนะบอกว่าตกอยู่ภายใต้อํานาจตันหารู้นะว่ามีตันหาแต่รู้แบบคนที่อยู่ภายใต้ อ, าตาอํานาจของตันหายังบุคคลทั่วๆไปเนี่อรู้ไหมว่าโอ้เนี่ยตอนนี้มีตันหามีโลภะมีความต้องการมีความทะเยอทะยานมีความต้องการมีความอยาก รู้แต่รู้แบบคนเป็นทาสเนี่ยนะรู้ว่ารู้รู้ในฐานะทาสรู้ไม่ใช่คนที่อยู่เหนืออำนาจตันหารู้ตันหาแต่ผู้ที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งตันหารู้ว่าตัวเองมีตันหาถูกตันหาครอบงำท่วมทับไม่ได้รู้ด้วยอำนาจอริยมรักไม่ได้รู้อำนาจด้วยวิปัสสนาและอารยมรักที่จะข้ามพ้นจากตันหาเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้มีอารยมรักที่เป็นเหตุให้แทง อริยมรรคที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้ตันหาอริยมรรคที่แทงตลอดตันหาโดยการละนั้นเมื่อไม่รู้นะเราตตถาคตและเธอทั้งหลายจึงโลดเล่นไปเร่ร่อนไปตลอดกาลรรยาวนานอย่างนี้ ดูก่อนพิสูจทั้งหลายเพราะไม่ได้ตรัสรู้เพราะไม่ได้แทงตลอดอริยสัจคือความดับทุกข์เนี่ยนะดับทุกข์หรือความดับเหตุให้เกิดทุกข์ความดับตัณหาเป็นที่เพิกถอนอะไรเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ได้ตรัสรู้พระนิพพานโดยอารมณปัจจัยไม่ได้ทํากิจทำให้แจ้งในพระนิพพานเพราะไม่มีอริยมรรคที่ไปแทงตลอดพระนิพพานเพราะไม่ได้ทําพระนิพพานให้แจ้ง เราตถาคตและเธอทั้งหลายเจียงโลดเล่นไ ป, เ, นไปเร่ร่อนไปตลอดการระยาวนานอย่างนี้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีคุณธรรมที่จะไปสัมผัสกับพระนิพพานไม่ได้รู้แจ้งแทงตลอดในพระนิพพานเมื่อยังไม่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะยังไม่ตรัสรู้พระนิพพานยังไม่ทำให้แจ้งพระนิพพานเวียนไหยตายเกิดอีกยาวนานเหมงอนน เพราะอย่างที่เราๆทั้งหลายได้ยินเนี่ยก็ได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่ได้เข้าใจคือไม่ได้อ่ใจของเรายัางไม่ได้เข้าถึงพระนิพพานก็โศตวิญญาณเกิดขึ้นได้ยินคำว่านิพพานใจก็นึกถึงคำว่านิพพานแต่ยังไม่ได้สัมผัสแห่งสภาวะพระนิพพานด้วยอริยมรรคทั้งหลายเมื่อไม่แทงตลอดสัมผัสพระนิพพานอย่างนั้นน่ะนะร่อนเร่ไปอีกนานเนี่ยเร่ร่อนก็ร่อนเร่เนี่ยนะ ก็ร่อนคราเร่ไปเรื่อยนียจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งเนี่ยนะเชื่อไหมเดี๋ยวของเราจะเร่ต่อไปอีกแล้วเร่ร่อนจะนั่งยืงนเงี้เอาไหมตลอดไปไม่เอาเอางนั่นแหละไปตลอดไปเอาไหมเหมือนไม่เอาแต่ก็เซ็นสัญญาว่าจะต้องทำนั่นน ะ, ะดูจากไหนก็เพราะตันหาี่ก็ดูจากว่าอริยมรรคไม่เกินจะไปไหนก็เซ็นสัญญาผูกมัดตัวเองในวัฏฏะตลอดอะนะบอกโอ๊ยเบื่อเหลือเกินเบื่อเหลือเกินไม่เอาแล้ววัฏฏะไม่มีมรรคอะไรมาตัดสัญญาอะไรซากอย่างจะ อะไรนะทำท่าเหมือนไม่อยากดูใช่ไหมอย่างที่กขาเล่านะบอกโอ้ยปู่ย่าตายายทั้งหลายนะโอ้ยทํำท่าเบื่อนายเหลือเกินวัดตะแต่ห่วงอย่างเดียวกับหลานเท่านั้นแหละเพราะงั้นเบื่อยังไงแล้วเบื่อหรือชอบกันแน่เนี่ยฟังแลไม่เข้าใจบอกเบื่อเหลือเกินพวกลูกเป็นต้นเนี่ยนะแต่ชอบหลานติดในหลานมาก้านะไปไหนก็ไม่ได้บอกหัวนี่ทํำท่าเหมือนจะออกแต่หางเนี่ยมัดรัดไว้ไม่รู้กี่ชั้นกี่ปลอกก็ไม่รู้เนี่ยนะติดติติติดแค่นั้นแหละ ว่าโอ้ยห่วงหลานอย่านั้นเอแล้วนะนะก็เลยอดฟังธรรมเลยกันเนี่ยนะถ้าธรรมะยังไม่ได้ฟังเลยจากกล่าวไปใหญ่ถึงปฏิบัติธรรมเนี่ยนะบอกว่าฉันก็ปฏิบัติธรรมไงเนี่ยทํำอะไรบอกก็เลี้ยงหลานเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมชนิดหนึ่งเออธรรมของใครก็ว่ากันไปงั้นก็าศาสนาของคุณก็แล้วกันงนะั้นปฏิบัติธรรมเหมือนกันก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าศาสนาของคุณไม่ใช่าศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่ถ้าพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ให้สงเคราะห์ บุตรภรยาบริวารไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่หมายว่าบางคนเนี่ยทุ่มเททําตัวเป็นเด็กไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะอ้าวคนจะเลี้ยงเด็กได้นต้องคิดแบบเด็กนะจึงจะอยู่กับเด็กได้ถ้าฝึกไปนานๆจะไปไหนใช่ไหมซ้อมๆ อ, อาไว้นะคุณเลวันไม่ถึงขนาดนั้น น, นะยังไม่ได้ซ้อมอาไว้นะแต่ห่วงหลานก็บอกโอ๊ยต้องซ้อมไปเป็นหลานเลยยุ่งเลยนะฝึกๆเอาไว้อยังไงก็เดือดร้อนแนะ่ยังไงยังไงก็ เขาฉันใดเราก็ฉันนั้นนั่นน่ะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะไม่ตรัสรู้เพราะไม่แทงตลอดอริยาศาสตร์คือข้อปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์คือเพราะไม่ได้ตรัสรู้อริยามรรคเลยเนี่ยนะคือคําว่าตรัสรู้อริยามรรคแปลว่าอริยามรรคเนี่ยประชุมพร้อมในจิตของตนนั่นแหละเรียกว่าตรัสรู้ หรืออริยมรรคนั้นน่ะเกิดขึ้นทำกิจกําหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งผู้ที่ทําอาริยมรรคให้บริบูรณ์นี่แหละเรียกว่าตรัสรู้ถ้ายังทําอริยมรรคให้เกิดอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้แทงตลอดอริยศาสตร์คือข้อปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์เพราะฉะนั้นเราตถาคตและเธอทั้งหลายจึงโลดแล่นเร่ร่อนไปตลอดการระยาวนานอย่างนี้ ที่ผ่านมาเจ็บปวดมามากแล้วเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะไม่แทงตลอดอริยสัตมนั่นแหละปัญหาทั้งหมดที่เรียกว่าปัญหาเกิดแก่เจ็บตายป่วยโรคนั้นโรคนี้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยนะก็เนื่องจากไม่เห็นอริยสัตว์ถ้าเห็นอริยสัตว์แล้วไม่เป็นอย่างนี้กันหรอกมันปัญหาทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นล้วนจากคนที่ไม่เห็นอริยสัตว์นั่นแหละสร้างปัญหาขึ้นมาเวียนว่ายตายเกิดชาติชารามรณนะความเจ็บปวดโศกกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปาญาตกองทุกทั้งมวลเนี่ย ก็เกิดจากการไม่แทงตลอดอริยสัจนั่นแหละเมื่อไม่แทงตลอดอริยสัจก็เป็นอวิชชาเมื่อไม่มีมรรคสัมมาทิฏกแปลว่ามีอวิชชาพรานอวิชชาเนี่ยนะความไม่รอบรู้ในอริยสัจนี่แหละเป็นเหตุจึงมีเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นสมุทัยเป็นนิทานเป็นแดนเกิดแห่งสังขารสังขารก็เป็นเหตุเป็นสมุทยัยเป็นปัจจัยเป็นต้นเขาเป็นข้อมูลให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็เป็นปัจจัยจึงเกิด พบเอ่อจึงเกิดนามรูปเป็นต้นสังสารวัตรก็โลเล่นไปอย่างนี้แหละก็เพราะไม่รู้ไม่เห็นอริยสัจนั่นแหลการเกิดในนรกจึงมีการเกิดในเปรตอสุรกายเดรชานการเกิดในมนุษย์ทั้งหลายการเกิดในวัตะทั้งหลายมีก็เพราะไม่แทงตลอดอริยสัจทั้งหลายเมื่อไม่แทงตลอดอริยสัจชาติชรามรณะจะไปไหนเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะถือกําเนิดเกิดมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ติดตามมาก็เหมือนกับ ชราและมรณนะเหมือนเหตุที่มันดุลดินขึ้นมาถ้าเหตุโผล่ขึ้นมามันดุลดินขึ้นมาการเกิดก็เหมือนกันเท่ากับดุลชราและมรณนะให้เจริญโงกเงยติดตามมาด้วยที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่ตรัสรู้ไม่ทํากิจในอริยสัจสี่ไม่ทํากิจทุกข์ด้วยการกําหนดรอบรู้ไม่ทํากิจในสมุทัยด้วยการละไม่ทํากิจในนิโรธด้วยการทําให้แจ้งไม่เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8 ดูก่อนพี่สูทั้งหลายอริยาาสัจคือทุกนี้นั้นตถาคตตรัสรู้แล้วแทงตลอดแล้วเนี่ยนะพระองค์บอกว่าแทงตลอดเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมที่ในธรรมจักนั้นธรรมจักบอกว่าทุกทุกควรกำหนดรู้ทุกเราได้กำหนดรอบรู้เสร็จแล้วเนี่ยนะอริยาาสัจคือเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกตถาคตตรัสรู้แล้วแทงตลอดแล้วอย่างที่พระองค์บอกว่านี้ทุกขสมุทยัยทุกขสมุทัยควรละ ทุกขสมุทัทยตถาคตละเสร็จแล้วเนี่ยนะอริยสัจคือความดับทุกตถาคตตรัสรู้แล้วแทงตลอดแล้วตรัสรู้ยังไง <ming ente> <sy lv ain> เขาบอกว่าต آ, นี้ทุก آ, นี้ทุกขณิโรธทุกขณิโรธควรทํ NG, ทรราทให้แจ้งทุกขณิโรธเราก็ทําให้แจ้งเสร็จแล้วเนี่ยนะส่วนอริยสัจคือข้อปฏิบัติไปสู่ความดับทุกคืออริยมรรคประกอบไปด้วยองแปดตถาคตตรัสรู้แล้วแทงตลอดแล้วก็แทงตลอด วันนี้ทุกขานิโรธคามิเนปฏิปทาทุกขนิโรธคามิเนปฏิปทาควรเจริญทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเราเจริญเสร็จสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นตันหาในพบความเพลิดเพลินในการมาพบรูปประพบอรูปประพบตถาคตถอนขึ้นเสร็จแล้วอนะครับว่าด้วยอนุภาพของอริยมรรคเป็นเครื่องถอนถอนตันหาอะไรเยื่อใยยางเหนียวในกามาพบรูปประพบอรูปประพบเสร็จสิ้นแล้ว เพราะฉะนั้นตันหาที่จะนําไปสู่พบใหม่สิ้นแล้วมันไม่มีอารมณ์อะไรอะไรซึ่งเป็นเหตุให้เกิดในพบใหม่อารมณ์ตัวนั้นเป็นชื่อของตันหาไม่มีตันหาเหล่าใดที่จะพาเพาะขึ้นในนรกเปรตอสุรกายเดรชานมนุษย์เทวดาคนทันนาคอินพรมพเป็นต้นไม่มีอีกแล้วเพราะตัดเยื่อใหญ่ที่จะเพาะที่จะสร้างตนขึ้นในวัฏฏะอีกแล้วเพราะฉะนั้นบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไป